ในวงพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นพุริทโตหลวงปู่เจียจุนโทค่ะจะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเรียกว่าเป็นที่ยอมรับในเรื่องของธรรมะภายในกิริยาภายนอกที่แสนจะสบายของท่านนั่นเนี่ยทำให้ เป็นเหมือนม่านบังปัญญาค่ะบังเนื้อตาของชาวโลกที่นิยมชื่นชมด้านวัตถุชอบมองแต่สิ่งสวยงามภายนอกนะคะแต่ว่าไม่เคยหันกลับมาย้อนดูภายในใจตนจึงมองท่านไม่ออกบอกไม่ถูกรู้เท่าไม่ถึงการในสิ่งที่มีที่เป็นที่ปรากฏภายในจิตเพราะว่าธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์จะไม่มีอาการลวงเหมือนอาการทางกายวาจานะคะ หลวงปู่เจียเป็นผู้ที่มีนิสัยประเภทตรงไปตรงมาค่ะพูดจาเสียงดังผงผางขวัญผ่าซากถึงลูกถึงคนจิตใจท่านนี่จะเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเหมือนนักเลงการสั่งสอนของท่านก็มีลักษณะเผ็ดร้อนไม่เอาใจใครนะคะแต่ว่าสามารถทะลุทะลวงเข้าสู่ความจริงได้ด้วยบุคลิกแล้วก็อุปนิสัยเช่นนี้เองค่ะจึงทาให้ชีวิตทางธรรมของท่านเป็นไปอย่างออกรถออกชาตโลดโผนจนทยานและเต็มไปด้วยความ ความสนุกสนานนะคะดังเช่นในคราวหนึ่งที่หลวงปู่เจียนี่ท่านได้รับนิมนต์ให้ไปเผยแพร่ศาสนา ที่ประเทศสิงคโปร์ขณะที่กําลังบา้าพำนักอยู่ที่บ้านพักของญาติโยมนั้นนีก็มีโยมชาวอินโดนีเซียมานิมนต์ท่านไปที่เกาะบาตามัมประเทศอินโดนีเซียค่ะเพราะว่าที่นั่นเขาร่ําลือกันว่าผีดุมากเฮียนมากคนงานที่โรงงานเนี่ยล้มป่วยกันมากเลยนะคะโดยไม่ทราบสาเหตุของโรคที่เป็นเจ้าของโรงงานก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีเพราะว่าไม่มีใครกล้ามาทํางานคนงานก็กลัวหนีหายหมด หาหมอผีจากที่ต่างๆก็เอาไม่อยู่เฮี้ยนมากๆเขาก็เลยไปนี่มนหลวงปู่ไปนั่งเรือไฮโดรสปีดจากสิงคโปร์ไปเกาะบาต้มป ร, ตประมาณ4ีสิบนาทีนะคะเมื่อไปถึงโรงงานแห่งนั้นค่ะหลวงปู่เจียก็อุทานขึ้นมาเลยทันทีว่าโอ้โ oh, หผีเยอะที่หายเลยท่านก็ให้เอาผ้าขาวนะคะผ้าแดงมาเขียนยันแล้วก็นำมาห่อก้อนหินแล้วก็นั่งปลูกเสก นะคะในขณะที่ทำพิธีอยู่หลวงปู่กระซิบบอกพระผู้ติด ต, ตามว่าเฮ้ยอย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวถึงหูอาจารย์มหาบัวเข้าดา่าผมแน่เลยเมื่อปลูกเสกเสร็จหลวงปู่เจี้ยกก็ขึ้นรถขึ้นรถเข็นนะคะให้พระผู้ติดตามเนี่ยเข็นไปตามทิศทางที่ท่านสั่งท่านก็กำหนดสมาธิแล้วก็บอกทิศทางให้พระเคลียงก้อนหินไล่ผีตามที่ท่านสั่งเดี๋ยวก็ทางซ้ายเดี๋ยวก็ทางขวา เสียงเครี่งดังปั้งๆนะคะบางทีพระเครียยงไม่ถูกตามจุดที่ท่านสั่งท่านก็บอกว่านั่นมันหนีไปทางนั้นแล้วเข็นเข็นเข็ น, ขนตามมันไปหลวงปู่เจียก็บอกนะคะ พระรูปนั้นเล่าว่าเหมือนในหนังโปเยโปโลเยยังไงอย่างนั้นเลยคือเมื่อพระผู้ติดตามทําไม่ทันใจท่านท่านก็พยายามจะลุกขึ้นมาทําเองแต่ว่าเท้าของท่านบวมอยู่ใส่รองเท้าไม่ได้ท่านจึงเอาเชือกมัดรองเท้าให้ติดกับเท้าแล้วก็พันหลายๆรอบเดินเปะหน้าเปหลังจนเจนจะลม้มมาจับกูหน่อยสิไอ้หากูจะล้มอยู่แล้วท่านตวาดเสียงดังไอ้ผีพวกนี้มันหนีไวชักช้าไม่ได้เราต้องเร็วเมื่อเสร็จพิธีหลวงปู่เจียก็พักอยู่ที่นั่นสองวันแล้วก็เดินทาง กลับสิงคโปร์ค่ะมาพักที่วัดป่าเลไล่คืนที่พักที่วัดป่าเลไล่นั้นท่านเล่านะคะว่าโอ้โหผีใหญ่เบิ่มเทมิ่มดําปึ๊ดเลยมันมาทับผมเกิดมาในชีวิตผมเคยเจอผีดุสองครั้งครั้งแรกที่วัดเขาแก้วครั้งนี้ที่ผีดุเนี่ยแม่งมันใหญ่ชิบหายเลยจะมาทับโอ้โหอย่างใหญ่เมื่อคืนปราบไปเรียบร้อยและส่งไปเกิดแล้วสบายท่านพูดจบแล้วท่านก็หัวเราะนะคะคุณรู้ปะ นี่ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับหลวงปู่เจียนะคะที่ต้องบอกว่าลีลาพระอาดุหันหลวงปู่เจียปราบผีนิสเทืหนึ่งสโลกกันเลยทีเดียวค่ะ มีเรื่องเล่ามากมายจากหลวงปู่รูปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นพระกรรมฐานสุปฏิปันโนที่มีอายุเกือบ80ปีแล้วท่านได้เล่าถึงประสบการณ์ในการออกทุดงเขาวัดปฏิบัติสมาธิภาวนาในป่าค่ะที่ต้องผจนกับพยันตรายแล้วก็สิ่งลี้ลับมหัศจรรย์เรื่องประหลาดๆหลายเรื่องหลวงปู่ที่ว่าท่านนี้ก็คือหลวงปู่จันทาถาวโรแห่งวัดป่าเขาน้อยจังหวัดพิจิตรนะคะ ประสบการณ์ในการออกธุดงคาวัดมีอยู่ในหนังสือประวัติของหลวงปู่จันทาซึ่งเป็นการรวมเรื่องนะคะที่ท่านได้เล่าให้กับญาติโยมฟังในโอกาสสำคัญต่างๆนะคะเราเห็นว่ามีหลายเรื่องนะคะที่ น่าสนุกแล้วก็คงหาอ่านกันไม่ยากาหาอ่านกันได้ไม่ง่ายนะคะใครอยากอ่านต้องไปหาท่านถึงจังหวัดพิจิตรเพราะว่าไม่มีการพิมพ์จำหน่ายนะคะนอกจากนี้เนี่ยจะเป็นการเผยแพร่เท่านั้นก็เลยขออนุญาตนะคะนำเรื่องราวในบางตอนมาเผยแพร่นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมทานสำหรับผู้ที่สนใจค่ะตอนหนึ่งนะคะที่จะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องของสวรรค์ หลวงปู่จันทาถาวโรนะคะท่านเคยประสบพบเห็นแล้วก็สนทนาธรรมกับเหล่าเทพพยายดาจากสวรรค์นะคะว่าเมื่อปี 2,501 ค่ะอาตมาได้ขึ้นไปภาวนาอยู่ที่วัดถ้ำกองเพลนอําเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีกับหลวงปู่ขาวอนันลโยและก็หลวงปู่หลุยจันทสาโรในสมัยนั้นที่วัดถ้ำกองเพลนยังขลุกขลักอยู่มาก ไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้แต่ก็เหมาะสําหรับการทำความเพียรมากเท่าที่นั่งสมาธิจิตก็รวมได้เร็วรวมได้ทุกขณะนั่นแหละเมื่อไปอยู่ที่นั่นจึงตั้งใจทำความเพียรไม่ลดละด้วยการอดนอนผ่อนอาหารตลอดไตรมาสสามเดือนตั้งใจทำความเพียรอยู่อย่างนั้นอยู่มาวันหนึ่งเป็นวันเพ็ญเมื่อเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ไปนั่งภาวนาอยู่ในถ้ใหญ่ นั่งสมาธิกำหนดพุดโทโธเป็นอารมณ์ของสติไม่นานจิตก็วางพุโทโธแล้วจิตก็รวมลงสู่พวังพีอาผวังคั บ, บอันแน่นแฟน อุ ป, ปจารธรรมก็เกิดขึ้นมีแสงสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึ้นกลางคืนเหมือนกลางวันสว่างโร่อย่างนั้นไม่นานฝูงเทพพยายดาทั้งหลายมีแต่ผู้หญิงลุ่นล้วนรูปร่างใหญ่โตมโหรานสวยงามเหมือนพระจันทร์วันเพ็นนะคะถือธงแดงแล้วก็ทูบคนละอันมาจากฟากฟ้ามาถึงถ้แล้วก็เอาธงปัก สุดทูบแล้วก็พากันกราบไหว้กราบที่หนึ่งว่าพุโทโธกราบที่สองว่าธรรมโมกราบครั้งที่3ว่าสังโฆสระรนังขจฉามิเสร็จแล้วก็ทําวัดเย็นจากนั้นก็สวดธรรมจากกระปะวัตนสูตรอนัตตลักษณะสูตรนะคะแล้วก็อาทิตตะปริยาอาปริยายสูตรค่ะทั้ง3 ส, สูตรนี้เขาเรียกว่าราชาธรรมเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธรวมธรรมทั้งหมด 84% ดหมพันพระธรรมขันมารวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดค่ะ คือเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วนะคะเขาก็นั่งภาวนานานนะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3าชั่วโมงเรียบร้อยดีเมื่อเสร็จแล้วเขาก็กราบพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วเขาก็จะจากไปจึงได้กําหนดถามเขาว่าโยมมาจากสถานที่ใดเขาก็ตอบท่านพระอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์พวกทีฉันมาจากเมืองสวรรค์มาที่นี่เพื่อประโยชน์อะไรหรือโยม เขาก็ตอบว่ามาบูชาแก้วทั้งสามประการนะท่านบูชาเพื่ออะไรเขาบอกว่าเพื่อบำเพ็ญกุศลนะท่านเพราะแก้วพุทธโถแก้วธรรมโมแก้วสังโคนั้นเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนและของหอม ถามเข้าไปอีกนะคะว่าอยู่บนสวรรค์ไม่ได้บําเพ็ญหรือโยมบําเพ็ญอยู่เหมือนกันแต่ได้รับผลน้อยไม่ได้มากเหมือนอยู่ในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์ทําน้อยได้มากทํามากยิ่งได้มากเพราะเป็นสถานที่สําหรับบําเพ็ญกุศลจะไปสวรรค์หรือพรหมโลกก็ต้องมาบําเพ็ญบุญในเมืองมนุษย์นี้ก่อนจะไปนิพพานพ้นทุกข์จากโอกรธสงสารก็ต้องมาบําเพ็ญบุญกุศลในศาสนาพุทธในเมืองมนุษย์นี้ซะก่อนจึงจะได้นอกนั้นไม่มี ในสมัยพระเจ้ากัสโปนู่นนะคะยุคศาสนาของพระเจ้ากัสโปค่ะพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นหญิงชาวบ้านพากันประพฤติวัดปฏิบัติขัดสีแก้วทั้งสามประการให้สว่างสวายรุง่งรอดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยการเดินจงกรมบูชาแก้วทั้ง3าดวงนี้แก้วพุทโธแก้วธรมโมแก้วสังโคทาอยู่อย่างนั้นเป็นนิจไม่ลดละล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นทานการกุศลสิ่งใด ที่ให้แก่สมณชีพรามนั้นก็จะกลายเป็นของทิพย์ไปรอคอยอยู่บนสวรรค์ทั้งหมดฉะนั้นเมื่อพวกข้าพระเจ้าไปเกิดบนสวรรค์ก็มีแต่ความสุขความสำราญเป็นผลจากการประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาถึงสองหมื่นปีในสมัยศาสนา พ, พระเจ้ากัสโปผู้คนอายุยืนถึงสองหมื่นปีนะท่าน พวกเทพพยายดาเหล่านั้นนะคะล้วนมีรูปร่างสูงใหญ่สวยงามสีผิวขาวเหลืองแดงไว้ผมยาวสายสร้อยรอบตัวนุ่งผ้ายาวครึ่งแข้งเหมือนคนโบราณเวลาเดินก็งามพูดก็งามเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์แล้วเนี่ยไกลกันเหมือนฟ้ากับดินเลยนะคะ จากนั้นค่ะเขาก็ฝากธรรมะว่าท่านอาจารย์ขอได้โปรดไปแนะนําพร่ำสอนญาติโยมทั้งหลายให้พากันบําเพ็ญทานศีลภาวนาบําเพ็ญสมณรรมกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือสมาธิปัญญามรรคแโพชฌงเจ็แล้วก็พากันเดินจงกรมฝึกจิตอบรมจิตสอนจิตให้มันดีนั่งสมาธิภาวนานั่นแหละจะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เหมือนดังที่พวกข้าพเจ้าทําอยู่อย่างนั้นสอง0 0ื่ปีเมื่อสิ้นลมแล้วเหมือนกับว่านอนหลับแล้วตื่นขึ้นชนะ เสร็จแล้วเขาก็ลาจากไปปลิวขึ้นสู่อากาศเหมือนกับนุ่นต้องลมปลิวเข้าสู่กลีบเมฆแล้วก็หายไปเลย ในขณะที่สนธนาธรรมอยู่นั้นนะคะก็ลืมถามไปค่ะว่าพวกเขาเหล่านั้นมาจากสวรรค์ชั้นไหนได้จะถามว่าทําไมจึงมีแต่นางเทพพ ย, ยดาไม่เห็นมีเทพบุตรเขาก็ตอบว่าเมื่อครั้งที่พวกข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ได้บําเพ็ญทานศีลภาวนานั้นไม่มีพวกผู้ชายไปบําเพ็ญด้วยดังนั้นเมื่อไปเกิดบนสวรรค์จึงไม่มีเทพบุตรนั่นแหละคุณผู้ฟังทําอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นนะคะรุ่งเช้าไปทํากิจวัดหลวงปู่ขาวท่านก็ถามว่าเมื่อคืนภาวนาอะไรบ้าง อาตมาก็ตอบว่าหลวงปู่ครับผมตั้งสัตว์ไว้แล้วว่าจะไม่นอนทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อคืนนี้ภาวนาแล้วจิตสงบเห็นสาวสวรรค์ลงมาจากสวรรค์ราวกวสคนมีรูปร่างสูงใหญ่สวยงามถือธงแดงและทูบลงมาคนละอันเอามาปักไว้หน้าถ้าแล้วก็พากันไหว้พระสวดมนต์จบแล้วก็นั่งภาวนาเสร็จแล้วก่อนที่เขาจะจากไปได้ถามเขาว่ามาจากไหนเขาก็ตอบว่ามาจากเมืองสวรรค์ หลวงปู่ขาวอนันลายโยนะคะท่านก็บอกว่าปัดจัดตังจะรู้เห็นเฉพาะผู้ปฏิบัติใครปฏิบัติผู้นั้นก็จะรู้เห็นเองแต่ถ้าปฏิบัติแล้วจิตไม่สงบก็ไม่เห็นเมื่อจิตสงบลงสู่อุปจารธรรมแล้วจะเห็นได้เพราะจิตเข้าสู่พบเดียวกับพวกเขาเหล่านั้นนั่นแหละก็เห็นจริงแจ้งชัดประจักษ์ว่าสวรรค์นั้นมีจริงถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเห็นเมืองสวรรค์แต่ก็ได้เห็นนางเทพธิดาทั้งหลายเหาะลงมาจากฟ้าลงมาไหว้พระสวดมนต์และนั่งภาวนาอยู่ที่วัด ถ้ำกลองเพนนั่นเองสมัยหนึ่งไปวิเวกที่ถ้ำพระบ้านตันเรียนอำเภอกุด จ, จับจังหวัดอุดรธานีค่ะภูเขาลูกนั้นมีถ้ำอยู่สองสามถ้ำไปอยู่คนละถ้ำกับพระอาจารย์บุญพินวันนั้นนะคะนั่งภาวนาตั้งแต่หัว่้ำราวเที่ยงคืนอ่าจิตสงบแล้วนะคะก็เกิดแสงสว่างกระจ่างแจ้ง จากนั้นคะ่ะก็มีฝูงเท พ, พบุตรเทพพยดาลงมาจากภูเขาใหญ่รูปร่างใหญ่โตวสวยงามแต่ว่าพูดจาเสียงแข็งแต่ก็ไม่ใช่ลักษณะการด่าว่าหรอกนะคะเพราะว่าเขามาขอรับพระไตรสรณคมและก็ศีลห้าแล้วก็ถามเขานะคว่าจะรับไปทําไมเขาก็บอกว่าพวกข้าพเจ้าหมดกเกษียณพบชาติที่อยู่บนเขาใหญ่แล้วจะได้ไปเกิดยังเมืองมนุษย์อีกเมื่อเห็นท่านอยู่ที่นี่ก็ดีใจเลยมาขอรับพระไตสรสารณคมแล้วก็ศีลห้าเมื่อให้เสร็จแล้วเขาก็ขอฟังธรรมก็เลย เให้เขาฟังว่าเยเกจิพุทธังสระนางคตาเสนเตคัมมิส um ันติอปายภูมิงนรชาติหญิงชายทั้งหลายเมื่อเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้ว อบายไม่ได้ไปไฟนรกไม่ได้ไหม้สิ้นแสนกับดับขันแล้วจะมีแต่สุขติสวรรค์เป็นที่ไปเบื้องหน้าได้ชื่อว่ามนุษยธรรมโมเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้ที่มีเครื่องกรั่นกรองกิเลสเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องล้างบาปและคล้อเข็นเวรร้ายนั่นแหละเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้เสร็จแล้วเขาก็จากไปเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีก็มีราวๆหน0่ตนเห็นจะได้นะคะ คืนนั้นหลวงปู่ก็นั่งภาวนาทั้งคืนค่ะจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่พระอาจารย์บุญพินก็มาถามว่าเมื่อคืนนี้ท่านเทศให้ใครฟังเทศให้เทพบุตรเทพพญาดาจากภูเขาใหญ่เขาหมดกเกษียนพบชาติแล้วเขาจะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่เมืองอุดรนานะอุดรธานีนูน่นนะคะนอกจากนี้คุณผู้ฟังประสบการณ์ตายแล้วฟื้นของพระอาจารย์เนี่ยท่านก็ยังเล่าให้ฟังนะคะถือว่าเป็นบุญบา ร, รมีที่ได้ไปนั่งฟังนะคะแล้วก็ได้ค้นหามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน เรื่องมีอยู่นะคะว่าสมัยหนึ่งค่ะเมื่อปี2494หลวงปูป่ไปจำพัรษาอยู่ที่บ้านตะเปาะอําอเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีพระจำพัรษาอยู่ด้วยกัน3ข้อสามรูปแล้วก็สมณีนนหนึ่งรูปแล้วก็มีตาผ้าขาวเท่าอีก1รูปผ้าขาวเท่านี้ก็คือคารวาสผู้รักษาศีลแปที่อยู่ที่วัดอยู่มาวันหนึ่ง เป็นวันเพนเดิน1ินะคะหลังจากที่ฉันอาหารเช้าแล้วก็กลับมาที่กุฏิเอาผ้าคลุมจะไปฟังธรรมก็พอดีไข้ามาลาเรียมันกำเริบหนักขึ้นสมองล้มลงกับพื้นที่กุฏิซึ่งปูด้วยฟากไม้ไผ่สมานเณรได้ยินเสียงล้มลงก็เลยรีบวิ่งออกมาถามดูว่าครูบาเป็นอะไร ครูบาเนี่ยเป็นคำเรียกพระที่พรรษาหย่อนสิบนะคะไม่รู้มันมึนตึบแล้วก็ล้มลงเลยหลวงปู่บอกเนนก็วิ่งไปบอกญาติโยมว่าครูบาจันทาล้มลงนะ้เป็นอะไรไม่ทราบทั้งพระแล้วก็โยมก็เข้ามาดู เอาหมอมาด้วยหมอก็ตรวจดูแล้วก็บอกว่าเป็นไข้มาลาเรียขึ้นสมองอย่างหนักอีก5้านาทีก็คงจะสิ้นลมโยมแล้วก็ทายกวัดเขาก็ว่าจะเป็นหรือตายอย่างไรก็ต้องถามฉีดยาช่วยเหลือไว้ก่อนพอฉีดยาเสร็จแล้วไม่นานท่านก็สิ้นลมเมื่อสิ้นลมดวงจิตนั้นยังไม่ยอมออกจากร่างยังห่วงใ ย, ยเสียดายร่างกายอยู่ไม่นานมีเพื่อนคนหนึงมายืนอยู่ข้างๆแล้วก็ร้องบอกว่าเพื่อนๆรีบออกจากเรือนเถอะไฟมันจะไหม้ทับหัว ก็เลยออกจากร่างมายืนติดกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่านี่แหละเพื่อนเอ้ยสมบัติร่างกายนี้นั้นอาศัยกันมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้นั้นก็ถูกไฟพยาธิเผาให้เราร้อนชิบหายซะแล้วจะอาศัยอยู่ต่อไปอีกไม่ได้หมดเพียงแค่นั้นแหละถึงจะเสียดายอย่างไรก็หมดสิทธิอำนาจที่จะเข้าไปครอบครองได้อีกต่อไป จากนั้นทั้งพระและโยมก็ช่วยกันเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็หามศพไปไว้ที่ศาลาวางนอนไ้ว้เฉยๆไม่ได้ใส่ในโลงและก็ไม่ได้ฉีดยาก็จะตามไปดูอีกเพราะว่าความเสียดายนั่นแหละก็เข้าไปนั่งรูปคลาร่างกายของศพดูแล้วก็เฉยเหมือนขอนไม้ โอ๋นอท่านก็นึกนะคะว่าขึ้นชื่อว่าของตายหรือว่าคนตายจะคิดถึงจะเสียดายอะไรอาวอนอย่างไรก็เอากลับคืนมาไม่ได้แล้วก็หมดความสงสัยทีนี้ก็หันไปพูดกับพระเนนเขาก็ไม่พูดด้วยไปถามญาติโยมเขาก็ไม่พูดด้วยเขามองไม่เห็นเพราะว่าเรามันมีแต่นามมาทำจึงหันกลับมาถามเพื่อนว่าเราจะไปไหนกันดีเพื่อนก็ตอบว่าจะพาไปเที่ยวดูภูมิประเทศก็คือไปดูภูมิประเทศนี่แหละนะคะคือเมื่อก็เลยออกเดินทางกันตั้งแต่ กันวันยังค่าคือมีแต่ดวงจิตไปสบายไม่หิวไม่โหยไม่เหนื่อยล้าครั้นไปถึงกลึงกลางทางระหว่างสองหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเป็นภูเขาอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นป่าดงในระหว่างกลางนั้นเป็นสร์สนามเล่นก็เลยไปนั่งเล่นกับเขาก่อนคือเล่นอยู่จนกระทั่งตีสาม พวกเขาก็กลับบ้านกันหมดเพราะว่ามันจะค่ากลางคืนเป็นกลางวันนะเมื่อพวกเขากลับกันหมดแล้วก็ถามเพื่อนว่าเราจะไปไหนกันอีกเพื่อนก็บอกว่าเราเองก็มาใหม่ยังไม่รู้จักภูมิประเทศดีจะไปข้างหน้าก็เป็นป่าดงไปข้างหลังก็เป็นภูเขาแต่ว่าขณะนี้สมบัติปัจจัยเก่าคือร่างกายนั้นยังสดชื่นอยู่พอที่จะกลับคืนสู่ร่างเก่าได้เพราะว่ามีบุญอยู่ครึ่งหนึ่งรักษาไว้แต่ว่าเรามาไกลแล้วจะเดินกลับคงไม่ทันแน่นอนต้องวิ่ง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 พอนื่องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามันดาอุปชอาอาจารย์พอนึกจบปุ๊บเข้าสู่ร่างกายได้สบายเมื่อหันหน้ากลับมาดูเพื่อนเพื่อนหายไปซะแล้วพอแจ้งเป็นวันใหม่กระดูกกระดิกร่างได้อย่างสมบูรณ์ดีแล้วลืมตาขึ้นก็ได้ยินเสียงนกแซงแซวร้องนะคะก็ระลึกขึ้นมาว่านี่เรามีชีวิตกลับคืนมาได้ก็เพราะบุญหรอกบุญที่สะสมไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนนู่นชาตินี้ ก็เลยประกอบกันเข้าเป็นเครื่องรักษาฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเราจะสะสมแต่บุญกุศลเท่านั้นสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นสมบัติข้าวของเงินทองกุฏิวิหารสบงจีวรสังฆาติก็ดีเมื่อสิ้นลมแล้วก็ทอดทิ้งไว้หมดเสียสิ้นมีแต่บุญกุศลเก่าและก็ใหม่เท่านั้นที่จะบรนดาลให้เป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ เป็นผ้าสบงจีวรเป็นสังฆาติสวยงามเป็นที่พึ่งพิงอาศัยได้แท้แน่แท้เมื่อตั้งสัตว์อธิษฐานแล้วนะคะก็ลุกขึ้นนั่งพวกญาติโยมที่มาเฝ้าศพอยู่บนสาลาก็ตกใจบ้างก็วิ่งหนีนะคะบ้างก็กระโดดลงศาลาไปด้วยความกลัวผีค่ะไม่นานพอหายตกใจกลัวแล้วพวกโยมแล้วก็ทายกวัดเนี่ยก็เข้ามาถามความเป็นมาเพราะว่าไม่เคยเห็นคนตายไปวันหนึ่งกับคืนนึงแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้ก็แสดงให้เขาฟัง อย่างที่ได้อธิบายมาแล้วนั่นแหละก็ว่าโยมทั้งหลายต่อบเป็นนิจจงยึดอาตมาเป็นคติเตือนใจนะเพราะว่าบุญกุศลธรรมที่เราทําดีไว้เนี่ยมันสะสมไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนนู่นแล้วก็ชาติปางนี้ประกอบกันเข้าจะรักษาสมบัติร่างกายไว้ถึงตายแล้วก็ไม่เน่ายังสดชื่นเหมือนเดิมทําให้ฟื้นกลับคืนมาได้ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงรีบเร่งสะสมคุณงามความดีไว้ใส่ตนและก็จะได้เป็นเพื่อนสองเป็นคู่ครองติดตามตลอดไปนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องราว เกี่ยวกับหลวงปู่จันทาที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะ